ใ้วความเข้าใจใยความสงบใ้วความเย็นใจม น, นุษย์เราท่านสอนให้มีทั้งหลักใจหลักกายคือที่ที่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สัตว์มีเฉพาะร่างกายส็นหายอยู่หาจริง ท, งาทงาําวรงทลแรงอยู่ส่านจิตใจไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เร่งุทธมนุษย์ท่านสอนศาสนาใ้คี่สอนเรื่องจใจมีใจให้มีใจให้มีทาเป็นเร่งยุมีอารมณ์มีที่ขึ้น สอนพิสูจน์ตั้งหลายว่ามีก่านพิสูจั้งหลายเธอจอยู่อย่างมีที่พึงอย่ายีด้วยความไม่มีที่พึงคนที่อยู่ด้วยความมีที่พึงนั้นมีความเป็นสุขไม่ว่าเวยไม่วุ่นวายคนยังมีพิคนอยู่ไม่มีพิพึงมีความวุ่นวายเป็นประจำสอนสอนที่สุจท่านสามว่าอย่างนี้ มีหมายถึงให้มีสติให้มีทําเป็นเครื่องํากับใจเสมอทุกเรืยาบทันเรียกว่าอยู่มีที่พึ่งถ้าอยู่อย่างธรรมดามีสติเลื่อนลอยในคำนึงถึงหน้าที่การงานของตนเฉพาะอย่างหนึ่งคือเรื่องจิตตภาวนาการใช้ส่วนอเรียกว่าไม่มีที่พึ่ง มู้สอนพิสูตพิสูุท่านก็ไปจากคนจากคนเป็นบทเป็นพะเป็นบวแล่าเที่ยเเรียกว่าพิสูตแต่ว่าผู้หิมไทยแต่ยังไงท่านก็ออกไปจากคนไปเป็นพะนี่เราก็คนคนหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าสอนสอนภิสษุซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับเราและเป็นผู้มุงมัน ต่อความสุขความเป็นเองหรือความค้นทุกข์เช่นเดียวกันแล้วท่านสอนทุสุขก็ตํากัดเกลือนถึงพวกเราผู้มีความมุ่งมั่นหรือมีเจตนาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ขัดกับทั้งคารวาในด้านบุตรในด้านธรรมสอนอย่างเดียวกันในในี้นั้นเป็นอีกแง่น่เราอยู่อย่างไร เนี่ยก็มีที่พึ่งอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งแ้่เราอยู่มาเป็นประจำตั้งแต่เกิดจนกรทั่งทถึงแบบนี้เราอยู่ด้วยวิธีใดเราอยู่ด้วยวิธีนี้ที่พึ่งนี้ไม่มีมีเป็นเวลาที่เวลาที่เราจะแค่ได้แค่อยส่วนโทษตอบบวกลบตัวเราเองให้เห็นชัดลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เพื่อความเห็นชัด ในความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราคือความไม่มีที่พึ่งความมีที่พึ่งทั้งสองนี้ก็มีอยู่กับเราความอยู่อย่างรืวนรอยไม่มีเหตุมีผลไม่มีความนับถือชอบ เ, เองไม่มีหลักมีตัวเรียกวความอยู่ไม่มีที่พึ่งจุนแล้วก็ น, นอนนอนแล้วก็ น, นินะ ตอนแล้วนินคือกินแล้วนอนนั่นเลง ท, ทำการทำงานอะไรก็คิดไปเชื่อต่างกันด้านวัตถุอยากนั่งอยากมีอยากนํางอยาก้วยอยากเป็นเศรษฐีกรุงตัว อ, อยากมีขี้มีเสียงอัากมีอำนาจวาสนาอ้าโอยโอ้มันมานเ็ลยเจ้เจ้เจเป็นท้่พึ่งจะมีที่พึ่งดังเจ้เจ้เจ้าจจวเจภาพ มันเลยกลายเป็ตรงข้างเกิด ค, ความทุกข์ความลําบากหน้ามากลากเ็เพราะความไม่พอดีเราถ้าหากว่าคิดทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายใน айн. เรื่องความคิดที่พึ่งภายในนี้ยังส ะ, ะดุดกระโดดแต่ที่พึ่งภายนอกอีกให้ความผมดีหนักในซุนเฟอร์หรือนตัวนเี้เนดนตัว อที่เสียงอย่างนี้ะจะเอามาอะไรมีกระลมกันแล้วชื่อนั้นถือนี่พ่อแม่ตั้งแผลยังไม่พอใจอยากมีหน้ามีตาหน้าก็มีหน้าตาก็มีแล้วเ็นสัางใครได้หน้าในตาใหม่มาทั้งๆ ท, ที่อยากมีหน้ามีตารอกนันอยู่ยัาไม่ร้อน ถ้าได้แยกออกมาทั้งที่พื้นภายนอกทีพื้นภายในแล้วการคิดในแง่ที่พื้นภายในนี้ยันจะกลับเป็นประโยชน์แ ก, ก่ที่พื้นภายนอกให้คองมาะสมอยู่นะที่พื้นภายในคือจิตใจแยงอาชธรรมทําใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้มีหลักยึดใจก็มีความร่มเย็นสมาย เมื่อใจสมายแล้วมันก็มีทางคิดอ่านแต่จางทึงเรื่องความผิดดีทั่วต่างๆความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเะไรมันก็รู้ไปเองโลกนี้ก็เย็นถ้าเกี่ยวกับส่วนรวมนันก็เย็นแต่เพราะเรานั้นเรียกว่าเย็นน้อนพยายามเสาะเสียหาที่พึ้นทั้งภายนอกภายในซึ่งเป็นความจําเป็นต้องหมวกันที่ที่พื้นภายนอกก็ เลยแจกอาหารการสินทรัพย์สมบัติคุณพร้อมต่างๆที่มีความจําเป็นกับสร่างกายคีอพึ่อนคนใดก็ได้แจกทีมทำคุณงามความดีอำคุณ ท, ที่ยึดเหนื่อยเป็นหลักของใจให้มีที่ที่ยึที่เหนื่อยใก็มีความสงบเยือกเย็นใจประกอบกับกเจตนาที่เรามุ่งกับความสุขความจเจเลย มีกามีที่พึ่งภายนอกก็มีพอเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างภายในก็มีพอให้สงบเย็นใจได้อา้าพรยิ่งแจกชลามาเท่าไหร่วัยผ่านไปเท่าไหร่การต่อบเถอือนหาที่ยิ่งภายในนี่ยิ่งเป็นของต้องการมากขึ้นโดยลำดับถ้าเราได้ผ่านโลกมานาพอจะทดสอบคิดวบวกลบได้ว่าเป็นผลมากเท่ากันไหร ทำให้การตอบแย้งหาที่ขึ่งภายในหนักขึ้นเรื่นที่พึ่งภายในรวมเราก็เรียวกยวก่าพลังความดีย้อนทํ้นามก็คือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจเมื่อปรากฏขึ้นในเวลาในก็ทำให้เราได้ความอิ่มเออ่ ยินน่งแม่เรื่องนี้จะผ่านไปแล้วก็ทําทให้เราถึงอยู่เส ม, มอไม่ลืมไม่ง้อใจเย็นจึงไม่ไม่มีอะไรเส ม, มอกลายเป็นสุขจึงไม่มีความสุขใดเส ม, มอให้ายเป็นจิตเบื่ลมมอลำพังตัวเองท่ไม่ต้องเกี่ยวกับสิ่งนั้นสี่งนี้มาเป็นอารมณ์ให้ใจโดยละความจิตนอกจากทําเป็นอารมณ์เท่านั้น พุทธเจ้าสอนสอนพิจิตรทั้งหลายท่านท่านสอนอย่างนั้นมีนักข่ถามที่ใดก็ตามเธอทั้งหลายอย่าดีด้วยความปราศจากจิตพึงถ้ามีหลักยึดอยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจเมื่อรับการอบรมและบำรุงอยู่เสมอแล้วจะกล้าคุ้มผู่ความละเอียดถ้าครบถ่วขึ้นไปเป็นลําหนัก คือจะถึงความ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะการบำเพงส่งเสริมตนเองสนุกความก็คือหลักอย่างการสังสมที่ขึ้นที่มีความแน่นหนามันคุมขึ้นทางในใจิตใจพระว่ า, า, าว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงกลางวัเหนึ่งนั้นอย่างท่านสอนอยู่ทุกทุกขณะทุกยีล่ามู ล, ละโดยที่ท่านเน่ยไปเรื่อยผ่านไปเลย เพราะเ้าอาวสเหล่านี้เป็นของจริงเท่านั้นของจริงจริงว่าขึ้นอยู่กับกลางกับสมงองมีจริงโดยสมองเสมอเมือนเราได้ยินได้ฟังด้วยความเจ็บต่อด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมที่ท่านสอนและต่อความจริงอยู่แล้วจะเป็นกําลังใจให้เราได้รับและมีความขยันมัน่นยจขึ้นเดยนรง คนข้างพุทธการพระข้างพุทธการี่เลปาระในข้างพุทธการกับสมัยปัจจุบันนี้อยาพึงเข้าใจว่ามีจแต่แต่ต่างกันไปเหมือนเหมือนกันนี่แหละอาจาร้์โอวาที่สอนไว้ตั้งแต่ข้างพุทธการกับปัจจุบันนี้คืงเป็นเหมือนกับสอนอยู่เป็นปัจจุบันที่ข้ากับหลักเื่อมัตติมาธรรมข้งมกางข้งการเ ร, รื่อเวลาสถานที่และบุคคทัคท่วไป เป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดก็ได้แจกมัตสีมารทำเราจะทําตัวงเราให้เหมาะสมก็ต้องอาศัยหลักมัตสิมามาประพฤติตามใจของเราก็จะอย่างเข้าสู่ความสงบอันเป็นจุดกลางของความยุ่งทั้งหลายมารวมตัวความสงบจะเป็นสงบด้วยอาการใดก็าตามกับการบําเพ็ญของเราถ้าเราถือว่าเป็นความถูกต้องการไปดีที่ใจของเรา ฟังเอาเรื่องของคุณมาเทียบมาเทียนแล้วคิดอยากให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้เพ้่ง ข, ขัดกรอบนิสัยเป็นอะไรไม่ได้แล้วก็ก่อบความวุ่นวายขึ้นมาแต่กลุ่มนี้นเกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษอีกทั้งาพราะความสงบอาการแห่งความสงบที่แสดงตัวขึ้นมานั้นจะไม่ใช่เหมือนกันนะความสงบเข้ามาอย่างช้าๆเข้ามาเข้ า, ม า, ข า, ข า, ขามาก็มีบางทีปุ๊บปั๊บเลยอยนั้นก็ แต่ผลก็คือพันรวมตัวของความรู้ของกระแสของจักอันนี้สงบขึ้นลงสู่สมาธิคือความตั้งมั่นคำสงบสงบกป็นหลายหลายช่างหนหลายลายหนนั่นก็เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นอันเป็นฐานทัง้งจิตขึ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยอยู่ที่มีความสงบและมี ฐานในความสงมเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่อาศัยย่อมไม่แสดงความหิวโหยจนเกิเหตุเกินผลเรียกว่ามีอาหารเป็นเนรื่องเศร้าโศกถาจะใช้ปิณิพิจรณาทางท่านปัญญาก็าเป็นไปได้โดยความหิวหยนั่นให้ามาถูกลากไปเสียเป็นกลายจะเป็นขั้นใหญ่ เพราะฉะนั้นสมาธิที่านสอนว่าสมาธิอบรมปัญญานั้นเป็นถูกต้องเหมาะสมที่สุดในบุคคลทั่ ว, วไปนิ่งไงบุคคลจำนวนมากความั้งบนี้เมื่อเป็นสมบัติของผู้ใดผู้นั้นยอ่อมภูมิใจ เนี่ยจังหวัดอันเป็นที่ภูมิใจอย่างแท้จริงนั้นที่ความสงบจาบที่ได้มาจากกลางคนขวายเช่นเดียวกับเราคนขวายสิบแผ่นนอกหรือคนขวาได้ความภาคเทียนนั่นเองใจสงบแล้วมันวันเวลาจะล่วงไปมากน้อยแต่ไรมันไม่ค่อยคาำนึงคือมันเย็นอยู่ที่ใจไม่ประพฤกโนกับเรื่องเวลาเดือนกีนาตีโมงเอง ซึ่งเป็นความกังวลแต่ตนหรือเปล่าทำตนทำมันมีความสงบไม่ตองวุลว้าก็ขีนนั่นซึ่งเป็นเรื่องก่อกลื่นมีความสงบได้ด้วยความเปลี่ยนของเรานั้นเป็นที่เหมาะสมหรือสถานที่ใดก็เหมาะสมในเรื่องการสถานที่มีเรื่องสมาธิสมบัติปัรดาทั้สมบัดก็พิจารณา ใครส่วนเดินไปไหนมีสิ่งสัมผัสอยู่ทุกแห่งทุกผลตมวนหมู่บ้านทำจะมีอยู่ทั่วไปถ้ามีสติปัญญาที่วิจิตรคนาจะถือมาเป็นประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นไปที่ไหนก็ได้พบได้เห็นทำที่มาสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องที่สัมผัสกับตาหูจมูกราาิมคาใจของเรารอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ควรจะกดเครื่องนี่สิ่งที่ควจะได้เป็นพัฒนาคุณภาพใด้วยด้วย พยาลาอไรก็เป็นอักจั่งธรรมไปเมื่อใจมุ่งต่ออัตตตธรรมคือความจริงอยู่แล้วโลกอันนิจจังต้ก็ประกาศทุกครั้งกลางวันกลางคืนมีความสงบแน่ขางนอกกประกาศข้างในก็ประกาศทางกายตัวก็ประกาศทางใจก็ประกาศตั้งแเรื่องอนิจจังทุกของอากาศั่นเป็นเพียวกันไปเหมือนกับเครื่อนกันเอ นนจ้างเป็นหนึ่งทุกครั้งเป็นหนึ่งอนาคตเป็นปหนึ่งมันต้องคิดไปแล้วนีสายของคนชอบคิดโลกทั่วๆไปคิ่สายสามัญชนเรนาต้องคาดต้องคิดต้องว่าดภาไปเรื่อยๆเชือกทั้งเส้นมันตั้อยู่ด้วยกันขีดเดียวพอมาแยกหมดแทนที่จะเชือไปท้าใยเกิดผลเกิดประโยชน์ก็มาแยกออกจากการเดียวนั่นเดียวีิเลยเสียแทนที่จะได้รับประโยชน์เท่าที่คนเชีอกนั้นเลยเสียไป มนจารทุกขังตาทั้งแยกอาการของธรรมทั้งหลายจนออกมาถ้าเรารู้แต่เราก็ไปจับแยกใช้จนหมดจนเป็นคนละชิ้นละอันไปนี่ต่อผิดนี้การทุกขังตามรวมอยู่ในนั่นแหละเหมือนกับเชือกทั้งสามเสี้ยวรวมฟันเข้าไปในเชือกเส้นเดียวกันจับเครือกเส้นหนึ่งขึ้นมาก็แสดงว่าจับทั้งสามเสี้ยวทมันพันติดกันไว้ มีนคือตามหลักธรรมชาติเป็นอย่างี้ทุกขงังัางครงหนึ่งทข้ามาคนไม่ได้ก็ไปแยกแยะสับแสงกันออกยุ่งไปหมดเลแล้ ว, ว่าทนไม่ได้ทุกอันนี้จังแปว่าไม่เที่ยงทุกขังคนไม่ได้นะตามตัวตนของเราอันนี้แหละอันอันนี้จัง ที่มันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเลยอะอันทุกข์ขังก็คือมันกระทบกระเทือนกับจิตใจงเราอยู่เหมอเนี่ยอันเหล่านี้แหละอันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถือนะมันก็อยู่ด้วยกันนั้นมาอยู่ที่รู้ท้อทันมันเสียถ้าเราจะจะสบายเราต้องชีวิตถือหนักหน่วงทวงจิตใจอยู่เปล่านั่นก็กป็น รูปนันก็มีแต่รักสิสมบูรณ์ในว่าอาการใดทั้งหมดในบรรดารูปที่มีในร่างกายของเราและนอกไปจากนี้เหตธน า, นานสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันก็ทำนองเดียวกันช่างทุกขังอ น, าศาศานัตตาเนี่มันกินใจสิฝ่ามพูดแต่ความจริงมันไม่ไม่เจอ มันจึงไม่เห็นความสุขม่วงไม่เจอมันก็ไม่ถอนเที่ยนนา้ที่เสศษแจงจิตใจได้จากอุปาทมันไม่ถอนมันก็ทุกข์อยู่นั้นท้องบนท้างไรเข้าใจเอะไรมันก็ทุกข์มิธานังปรามังสุขขังมิพานังปรามังสุขขังท่องได้ทั้งวันมันก็เป็นทุกข์ทั้งวันไม่เหลือปรามังสุขขังเนื้อเพาะมันท่องได้โด้วยความจำมันไม่ใช่รู้ด้วยความจริงรู้วมจัิงทุกข์ขังตาด้วยความจริงนี้ มันต้องท่องมันต้องบอกพิเรศเพราะพิพเลศก็คือความหลงตัวเองเมื่อรู้แล้วมันก็มันก็เข้าใจมันก็ปล่อยให้มันเองหมดปล่อยความอปล่อยทาระนั้นแล้วมันก็เบาแล้วหมดสิ้นไปในเรื่องของทุกข์เพราะความหนักซึ่งเกิดขึ้นจากการยึดถือที่ท่านเรียกว่าอุปาทานนะรู้ในธานาสัญญาตั้งถานหนึ่งอย่าง ท่านเรียกว่าขันห้ากองห้าหมวดห้าหรือกองทุกขนะมันกองตั้งแต่เพื่อนผ้าขึ้นมาถึงจุติกองทุกขนาดนี้เนี่ยูากไม่น้อยแต่มันหนักกว่าภูเขาเพราะภูเขาทังลูกเราไม่เคยได้แบกเราจะท่าดได้ไงว่ามันหนักแต่ท่าขันน้องเรานี่เราแบกตลอดเวลามนันพอท่าได้ธรรมดามันก็หนักอยู่แล้ว และหนักด้วยความทุกข์ความทรมานต่างๆเกี่ยวกับโครคภัยไค้เียบก็ยิ่งหนักไปเรื่อยๆบรรดดามันหนักกว่าภูเขาทุกอย่างที่เป็นงานกองทุกขอก์อันนี้เป็นหินรักปัญญามีความเป็นย้อนฉลาดแล้วกมขึ้นมาจากการพิจารณาแบบมีท่านเรียกว่าปัญญาเมาื่อจิตไล่เยี่ยงไปตามอาการต่างๆนะรันก็เห็นทั้ง สิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นความจริงเข็มทั้งโคตทั้งตัวที่ไปยึดถือด้วยความรุ่งหลงแล้วนั่งก็ปล่อยเข้ า, ขามาสู่ความจริงเพ้ยงเดียวกันนี่ทันทีเราไล่ล่อมเหมือนกับเขายึดนานเวลาน้ำหมักมากกาจะมีสิ่งี่ตัวอยู่ในนั้นก็ไม่เห็น ย, หยึดน้าออกยึดน้าออกน้ํามันลดลงไปตามมันก่อ รวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามายืดน้ำที่จนหมดไม่มีอะไรเหลือที่ตาจะได้ซึมซอนเป็นใบไม้ใบหญ้าที่อยู่ในนั้นซึ่งจะเป็นที่อาศัยของตาที่ซึมตอนของตาเขาเกิดกวดคนดูให้หมดละเอียดที่่วนตาไม่เปเงินน้อยน้อยมัอนจะรวมตัวอยู่ในนั้นหมดขอน้ําที่ซึมซอนอย่างนี้ถึงยืดออกหมดนั่นปัญญาควาทายอย่างนั้น ขวาไปตามรูปกรรมเวทนาตามปัญญาทั้งขันนี้แหละซึ่งเป็นที่สึ่งถอดของกิเลสต่างๆปัญญาเราขวาดไปด้วยอนิจจังทุกขัง อ, าาองันตายึป็นเส้นขวาดทวนไปเรื่อยๆจนรวมตัวลงไปมันก็เห็นตัวตาอย่างชัดเจนที่รวมในจิตเดียวนั่นแหละคือในจิตตัวตามันรวมที่เลสกิเลสมันรวม ขบันทิตอันเดียวประก่อนมันไปซุ้มซ่อนทางตาทางหูทางสมุกทางยิ้มทางกายทางใจทางภาพทางขันนี่แหละภาย น, นอกภายในมันก็จะซุ่มต่อนโหมดตาของมันเป็ น, นที่ซุ่มซ่อนของที่เหล็กมันมี เ, มเป็นทั่โลกทั้งหะเต็มแล้วมันสามารถที่จะภราบเลยว่าที่เหล็กคืออะไรแต่เป็นภายแจากตัวอยู่ทุกหยองยากเพราะเพราะที่เหล็กเนื่องจากมันซุ้มต่อนอยู่ทีแห่งที่เห็นเนี่ยผู้กอการได้มันก่ออยู่เรื่อยๆ เราเห็นผู้ก่อการได้ถ่ายนอกระก่องการไดร้จะแสดงตัวอยู่ภายในถุงเราอย่เราไม่เห็นทั้งชิ้ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องปาดพิจนารณาเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็เรวมตัวเข้ามาไล่ผู้ก่อการได้เข้ามาเข้ามาจนกระทาั่งเข้าถึงติดติดประตูนะ่ให้มันออกปัญญาปรมาณูาฟาดเาไป ถ้าม right. so like ีเพียเราเอาบางที่มหาสติมหาปัญญาค้าลงไปที่จิตมันแหลกไปด้วยกันนันถ้าจิตจะเป็นแบบกที่เละมันก็แหลกไปด้วยกันถ้าจิตไม่ใช่ที่เละมันก็ไม่แหละมันก็ไม่ทิพไผ่ทิพไส่เป็นเรื่องของที่เละเท่านั้นเองไเหมือะไรอื่นท่านอย่างปัญญาไปมันมหาสติมหาปัญญานั่นเองเป็นปัญญาทิ่ทันสมัยที่สุดเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด เพื่อนทหารที่เหมาะสมที่สุดธรรมราเรณีจิดอ น, นุช า, าที่เรียนตัวมีภายในจิตนั่นแต่าอาจารย์ในหมนู่นั่นแหละทำมาสมบัติหรือนิพานสมบัติจะเรียกว่านิพานสมบัติก็หน้าทำมาสมบัติก็หน้าจะเรียกอะไรก็ไม่ขัดไม่เย้ยงกับใครไม่เรียกนัในหลักสรรมะอีก นดูเห็นดูก็ะจัดก ร, ร, ระจายแล้วไม่มีปัญหาหมดปัญหานี่คือที่พึ่งอย่างเอกไม่มีที่พึ่งใดจะสำอวจหือนที่พึ่งถัดถึงที่พุ่งอันนี้แล้วจัดเจนที่พึ่งขั้นเอกผู้ใดถึงที่พุ่งนี้แล้วเป็นผู้ที่แน่แต่นอนใจได้สบายใจไมนมีธาตสิทธิ์ปุรีปัจจามิตรใดทั้งหมดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้ง ก่อความไม่ทานะํงทางานได้ที่ใต้ไฟอันหาที่ขึ้นเดี๋ยให้มีที่ขึ้นดังพระพุทธเจ้าทรงสอนว่านั้นที่เรียกขึ้นในเบืงต้นเป็นอาสิ์หรือเป็นบทบาทของการเสดงธรรมพอมาถึงจุดเป็นที่ขึ้นอย่างอื่นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงมงทนถึงที่ขึ้ขัน้นถุงนี้แล้วจึงไม่เป็นศาสตนานสอนโลก สาวข้าั้งหลายเมื่อได้สนับธรรจากประพุทธเจ้าแล้วก็ต่างองต่างเสาะแสวญ ห, หาที่บำเพ็ญเพื่อทำในธาอันนี้อยู่ในสถานที่ต่างๆจะโอดหวักมากแท้นมากแท้ประการใดก็กสากพยายามดุดยงเพราะเห็นแต่แจะทำเห็นแต่ทำเพ่งทุกเห็นแต่ทำลงสติจนกระทั่งได้ฟาดขึ้นเป็นที่ขึ้นอยากอืก่นต่างๆกันไป กลายเป็นทุตทางสันนิษานทำมังสันนิษฐานทั้งทางสันนิษฐานของพวกเราขี้นมารวแล้วเป็นธรรมทั้งแข็งก็เป็นธรรมอันโย่ทั้งพุดทั้งธรรมทั้งสท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธมฺโมตั้งโขจาริตนาเพิ่มฟังติวัติโตอนยัญญานโยอนยาวะเตจีพุตัมสนตโต ตเมืเ่อกาวโดยทางวัตถุหรือกาวโดยแยกเป็นสมวนนุกแต่แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นแต่และอย่างไม่อย่างเป็นแต่และประเภทกระเพศเมืเ่อกาวโดยหลักธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าพระพธรรมพระสงฆ์ก็มีอันเดียวเท่านั้นไม่อ่านแยกกันมากหรที่ดันเปะน็ะโต ขณะนั้นเมื่อเข้าถึงนี้แล้ก็เป็นธรรมแท่เดียววพุทธก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วสมว่าสมก็แล้วธรรมว่าธรรมก็แล้วพุทธนี่เป็นเรื่องของยุทธหรือความโดยจุดยุทธเป็นธรรมแท้ๆเป็นอย่างนี้เมื่ออยู่ในสมมุตรกรกิก็ต้องแยกกันพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์พระธรรมพระสมณอนหนึ่งน้าไปตาเมเรมื่องเพราะสมมติมีอยู่พรโลกเวรสาร พูดคองสมมุติอยจะพูดจะเรื่องสมมติไม่เอาสมมุติอะไรพูดก็ไม่ได้เรื่องเลยหรอกคองแยกสมมุติออกไปเป็นประเทศแต่เพื่อเพื่อเพื่อประเทศกับที่มัดเงื่อนจิตเงื่อนจิตเป็นธรรมทั้งแท่นเป็นธรรมทั้งรวมแล้วเราจะพิจารณาอะไรอีกจะแก้าะแผลหาอะไรอีกมันปัญหามันหมดลงโดยสิ้นเชิง อู่ก็ดูไปคลองไปัเริ่มขาดเริ่มหันเรื่องโลกของฐานการดูรละเอียดถี่ควนแล้วจนถึงกับต่อร่างมาโดยทิ้งถุเป็นปัญหาหลังกระตุ้นนั้นมีแต่ซุกโควิดเดโคเป็นความสุขอยู่ด้วยความหนักจากพิษหรืออาวะทั้งหลายซึ่งเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีความผิดอื่นใดตรงนี้เลย ตามหลักธรรมท่านกาวไว้ว่านักติตนันจิประลังสุดขั้งทุกอื่นยิ่งกว่าความสงบและน้นนาท่านี้ไม่หนึ่งน่ะรวมอยู่ในจิตนี้สุดเดียวนี่แหละเป็นจิตจนี่ว่าเป็นจิตเอกนีอยู่กับทุกคนผู้จะทรงธรรมชาตินี้ผู้จะเป็นธรรมชาตินี้ธรรมชาติจที่ว่เอกนี้แต่เวลานี้ของเรานยังไม่เอ มีอะไรแทรกซึงเป็นไปหมดจนกระทั่งธรรมชาติละเอียดนั้นก็มีคุณค่าในความย่สุดของตัวเองคุณได้กําหนดตนว่าอำนากมาสนานนั่นต้อมีศีลต้มีปัญญาเป็นคนอาภัพอ่านว่าว่ามาทลายอันนั้นธรรมชาตินั้นมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละสิทธที่ติดดังการว่าแบบนี้เพื่อความอ่อนแอบเพื่อความเคาะขไปเลยซึ่งก็เป็นนโยบายของที่เจลิญประเทศหนึ่ง อันนึ่งเหมือนกันถ้าเมื่อเพื่อกะการแก้ความลุกติดหรือความคิดเห็นอย่างนี้ก็ต้องแก้ด้วยการต่างสมด้วยการพลิกตัวขึ้นมาน้อยก็ต้องทําให้มากอาบับก็ต้องทําให้สมบูรณ์ปัญญาน้อยก็ต้องทําให้มากขึ้นหน้าเพราะทำท่านสอนไว้เพื่อความไม่อัพทับเท่านั้น ทำไมเราพูดตรงอัดตรงทำจึงจะไปส่งเสริมความอาภาธอัตเต๋อนี้นะทําตนให้อ่อนแอลงไปทุกวันทีกวันซึ่งเป็นการได้เกืียของที่เดียดมากมายก่ากองไม่สำควรแต่เราที่เป็นชาวพุทธตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างองอาจกล้าหาเหลยเราควรคิดอย่างเชื่อว่าคิดถูกแก้ไขถูกนี้จะไม่ถึงมิตรพัิพันในขณะมิชาตินี้ก็ตาม การบำเพ็ญของเราหรือความรู้ความเห็นของเราก็เป็นความผิดต้องอยู่มผล้ว่จะถึงได้รับก็ไม่อับพั้ไม่อับเฉาทัานขอให้ทุกท่านนาไปคิดพิจารณาเพื่อแก้ไขตนเองอย่าลืมว่าที่เลียที่เป็นตัวแทรกแต่งเป็นตัวแทรกซึมเป็นตัวก่อขวนความรู้ของเราอยู่เสมอไปแล้วกันเมื่อคิดในเนี่ยใดแล้วให้มีปัญญาสอบแทรกไปเรื่อยจนเห็นเงื่อนแก้เง่อนไขทจงประเด็น่ะเราจะมาจนดก่อเป็นมุม แต่พ่เรดังที่เคยจนเกาะมาแล้วมขอที่สุดการคม